มาดูในกลางขากันเลยนะครับในกลางขากันเลยหน้าสอง้อยสีสิบเจ็ดมาตรงนี้เลยนะเพราะว่านนี้มันต้องอ่านแล้วที่เราอ่านไปในชีตนะ่าละเอียดกว่าแล้วนะครับก็เลยมาดูสรุปตอนท้ายนีเลยย่อหน้าย่อหน้าเกือบสุดท้ายนะหน้าสองร้อยสีสิบเจ็ดนะครับอนข้างล่างนะในกคำเหล่านี้ก็นี้ย่อหน้ารองสุดท้ายนะ ในกรรมเหล่านี้คือทั้งเสียมีอัปโลก น, นกรรมเป็นต้นนครับที่สงกระทำแล้วตามลักษณะของตนของตนด้วยความสมบูรณ์แห่งวัตถุยติอนุสาวนาสีมาและบริสัท์เนี่ยอธิบายหมดแล้วนะฉั น, นมีความชอบทำอยู่เพราะทงได้ทาตามวินยัยตามคำสอนของพระสาริดาเพราะฉะนั้นจึงได้ชื่อว่ากรรมที่ชอบด้วยธรรม พิสูจน์ให้ฉันทะคือให้ความพอใจในการทํากรรมเพื่อกรรมเหล่านั้นแล้วภายหลังถึงการติเตียนต้อบ่อนปลางจิตใจทุกคําพูด <c oughs> เพตุเกิดประเภทอย่างอามบัตรสิกขาบทนี้พุทธพราจ้าทรงปราบพิสูจน์เฉพาะีในเมืองสาวัตถีบัญญัติเวลาข้อเหตุคือการติเตียนกรรมที่สองทําด้วยชอบธรรมเป็นสาระหน้าบัญญัติพิสูจนี้ก็มีนะครับ อา น, นันติกะไม่เกี่ยวกับการใช้ใช้คนตีเตียงไม่เป็นอะไร น, นะที่เป็นระเบียบเพราะว่าไปตีเตียนเองกรรมที่ชอบด้วยธรรมสงสัยสงสัยว่าเชอบอำหรือไม่ชอบทำนะครับอ๋อกรรมที่ไม่ชอบด้วยธรรมสาคัญผิดว่าชอบด้วยธรรมหรือว่าสงสัยอันนี้ตีเตียงก็ยังต้ อ, อตรงรเบียบทุกกฎนะครับนี้นะตรง น, นี้ไม่ใช่ติกะนะถ้ากรรมนั้น กรรมนั้นเป็นธรรมรู้ทั้งรู้ว่าเป็นธรรมเป็นตีเตียนอันนี้ต้องอาบัติอะไรครับกรรมเป็นธรรมรู้ทั้งรู้ว่าเป็นธรรมเป็นตีเตียนต้องาบัติปั่ตีกรรมเป็นธรรมสงสัยไป็นตีเตียนต้องบัตรทุกกฎกรรมเป็นธรรมสาคัญหรืว่าไม่เป็นธรรมตีเตียนไม่ไมต้องอาบัตินะครับกรรมไม่เป็นธรรมนะครับเข้าใจว่ากรรมเป็นธรรมหรือว่าสงสัยต้องอาบัติ อันติตีนแล้วตีเตียนยมันเป็นธรรมแต่นะาข้อใจผิดก็เป็นธรรมหรือว่าสงสัยเอยเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมก็แล้วก็ตีเตียนทุกกล่อนะครับการไม่เป็นธรรมสาคัญว่าไม่เป็นธรรมตีเตียนไม่เป็นอรับบกเราตีเตียนหน้าอยู่แล้วเพราะมันเป็นธรรมใช่ไหมเราข้อใจตามนั้นนี่เราได้เนีย่ยนะต่อไปนะครับ อาณาบัติทีสุไม่ต้องอาณาบัติเมื่อกรรมไม่ชอบทำเนี่ยที่สุรู้อยู่ว่าสงธรรมกรรมไม่ถูกทำนะครับติเตียนอยู่อันนี้หนึ่งนะครับเอ้ยวยังมีข้อเดียวตีเตียนอยู่นะครับเป็นข้อในกันนะตีเตียนอยู่ว่าสงธรรมกรรมไม่ชอบด้วยธรรมเป็นว่าหรือธรรมแก่ที่สุผู้นะครับ ไม่ควรแก่กรรมอันนี้ได้ครสิเทียน่าไม่เป็นอาบัติพราะไม่เป็นธรรมอยู่แล้วและพิสูจน์ว่าเป็นต้นก็ไม่ต้องอาบัติองค์อาบาัติสิขาบท น, นี้มีองค์สามเหล่านี้คือหนึ่งกรรมชอบด้วยธรรมสองสำคัญว่าชอบด้วยธรรมสามให้ฉันท่าแล้วกับสิเทียนเมืม่อครบองค์สามก็ต้องบัติปานสิเทีในสิขาบทนี้ซึ่งทายเป็นต้นเหมือนกับวันทินนาทางสิกขาบท มันอะไรใช่ไหมสมุทฐานที่ไม่ต้องฐานแล้วนะครับนนนนเขีเยนไว้ให้ด้วยนะนน ม, มันต้องมีจิตแน่นอนใช่ไหมจจไหายใจที่มันไม่พอใจนะแล้วก็ไปติดเตียนทีหลังด้วยกายหรือว่าด้วยวาจาก็าแล้วแต่นะครับแปลแต่เวทนาในสิกขาขุนี้เป็นทุกเวทนาเท่านั้นแหละใจเป็นโทสังนะครับเวทนาเป็นโทมานะนั่นไม่พอใจจบการอธิบายกรรมะปะติภานณสิกขาบท ทีนี้ผมจะถามท่านนึงนะลองยกตัวอย่างกรรมที่มันเป็นธรรมมาสักข้อนึ่งครับเป็นยังไงการที่เป็นธรรมไม่เป็นธรรมก็ไม่ได้ไม่เป็นธรรมอายอย่า <c oughs> ยมมาคละข้อะนะการที่ไม่เป็ น, นใครนี่ก็ยกข้อเรื่องนะึงใครใคคิดนะครับอุปหล่อไม่พลาดเรื่องเงินนะ <c oughs> คราวนี่มันเป็นทำแน่นอนชัวร์น้องทำนองมีไหนเนี่ยอะไรทบคือกรรมที่เอ่อไม่นำฉันขับมาใ่ไแล้วก็เก่าเก่ารับหลังนะทำกรมบหลังกรรมรัหลังทกรรมรับหลังสมมติสมมติว่าเราจะทำอะไรท่าคือไม่ได้ไปแจงโจทย์ได้ก่ออ๋อแล้วก็ไปทำนล้วจะลงกรรมคนนั้นใช่ไหม แต่เราไม่ได้แจ้งก่อนอยู่ดีเรามาลงกรรมไปในโบสเลยไม่ได้เอาแกเข้ามาถูกต้องนะครับนิยามนะครับเนี่ยคนลพ่อใช้ได้ไอ้คนใจได้แล้วทำกรรมรับแมันยกได้หลายอย่างที่ว่าควรจะลงอันแบบนี้นะ แต่ก็ไปทำอย่างหนึ่งใช่ไหมครับน่นก็เปน่รมาขออภารบวชให้เลยรับใช่ครับอันนี้ก็เป็นธทรานะครับใช้ไม่ได้เขามาขออภาร์นะครับแต่ว่าไปส่วนยติก็มาอุปสมบทให้นะครับเนี่ยเป็นธรรมมีวิสัยทัศน์อะไรเออเออเออเช่ เคนปรญญายุทธ์ยังไม่ได่หายกของเราชน ะ, นนนะได้นะครับได้ที่สุดผู้ควรแต่ชนินยกรรมใช่ไมแต่ปเป็นองค์เคลป์ปัญญายุทธ์ใช้ได้นะเคนนี้ก็พร้อมนะครับคือว่าไม่เป็นธรรมแล้วครับครานี้มันเป็นธรรมปีเสียลอะไรได้นะครับ้อคราวนี้ก็จบนะครับ